ได้แสดงพระพุทธคุณนำมาโดยลำดับในวันนี้ก็จักแสดงพระพุทธคุณอีกบทหนึ่งนำ คือบทว่าพุทโธพระพุทธคุณบทนี้พระอาจารย์ได้อธิบายไว้โดยย่อว่า คือว่าพุทธโธหรือพุทธะโดยสามารถแห่งยานคือความอย่างรู้ซึ่งบังเกิดขึ้น ในที่สุดแห่งวิมโมกคือความหลุดพ้นเพราะรู้เยียธรรมธรรมะที่พึงรู้ ได้ทั้งหมดทุกอย่างและท่านอธิบายอีกอย่างหนึ่งว่าเ่อว่าพุทธโธพราะรู้ สัจจะท้งหลายและเพราะยังผู้อื่นให้รู้ซึ่งสัจจะท้งหลายดังนี้ โดยที่พระพุทธคุณบทนี้ก็มีถ้อยคำที่ใกล้เคียงกันกับบทว่าสมมาสมบุตโธ หรือสัมมาสัมพุท ธ, ธะและในพระพุทธคุณหมดนั่นเป็นที่นับถือกันว่าเป็นพระพุทธคุณหมดใหญ่คู่กับบทว่าอารหัง ซึ่งเราทั้งหลายก็มาเรียกกันเป็นภาษาไทยมาพระอรหันตส์สมมาสัมพุท ธ, ธะในพระพุทธคุณบทนี้ คือบทวสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็แปลกกันว่าพระภูตจัสรู้เองโดยชอบหรือพระพูตจัสรู้ชอบเองก็มีคำว่าพุท ธ, ธะเป็นบทใหญ่ และมีบทประกอบว่าเองโดยชอบหรือโดยชอบเองและในคำพุทธโธหรือพุทธะของบทนี้ก็มีอธิบายหลัก ว่ารู้อริยสัจทั้งสี่นั่นเองทั้งมีความหมายถึงว่าสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ได้ด้วยคือตั้งพุทธศาสนาขึ้นได้ด้วยจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธ ถ้าตรัสรู้เองชอบโดยลำพังพระองค์เองมิได้สอนผู้อื่นให้รู้ตามมิได้ตร้งพุทธศาสนาขึ้นก็เรียกว่าปัจเจกพุทธะดังที่เราเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่แปลว่าพระภูตรัสรูจะเพาะพระองค์เองพระองค์เดียวเมื่อสอนผู้อื่นด้วยตั้งพุทธศาสนาขึ้นได้จึงเรียกว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะเพราะฉะนั้น แม้คาพุท ธ, ธในคาสัมมาสัมพุท ธ, ธานี้ก็มีความหมายถึงทั้งตรัสรู้เองและทั้งสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตามตั้งพุทธศาสนาขึ้นได้ด้วยครั้นมาถึงบทว่าพุโทโธ ก็มีอธิบายในความหมายหลักเช่นเดียวกันว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตามซึ่งสัจจะทั้งหลาย และแม้ว่าท่านจะให้คำอธิบายอีกอย่างหนึ่งว่าชื่อว่าพุทธโธหรือพุทธะด้วยสามารถแห่งญาณคือความอย่างรู้อันเกิดขึ้นในที่สุดของวิมกคือความบุญพ้นเพราะรู้ใยยธรรม ธรรมะที่พึงรู้ทุกอย่างได้ทั้งหมดมีคำว่ายะยะธรรมหรือเยยะที่แปลว่าธรรมะที่พึงรู้ หรือข้อที่พึงรู้ซึ่งเป็นคํากลางๆแต่ว่าเมื่อจะถามว่าอะไรเป็นข้อที่พึงรู้ก็ตอบได้ว่าก็คือสัจจะความจริง ของจริงของแท้คือธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงนั่นเองอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข เป็นวิมุตต์คือความหลุดพ้นหรือที่เรียกวิมุโวเรียกวันิพานอันเป็นภูมิที่สุดอันพึงได้พึงถึงในพุทธศาสนาเป็นที่ดับแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น เยียรธรรมธรรมะที่พึงรูก้ก็คือธรรมะที่พึงปฏิบัติให้ได้ให้ถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นที่สิ้นกินเลสและกองทุกข์ทั้งสิน้น ธรรมะดังกล่าวทุกข้อทุกบทเรียกว่าเป็นยยาธรรมธรรมะที่พึงรู้ทางนั้นก็รวมเข้าโดยย่อในอริยสัจทั้งสี่นั่นเอง ทกุก็เป็นยยธรรมคือเป็นข้อที่พึงรู้ทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นยยธรรมเป็นข้อที่พึงรู้ทุกขในโรดความดับทุกข์ก็เป็นยยธรรมธรรมะที่พึงรู้ทุกขในโรธคหการมี น, นิปติปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือมักก็เป็นยยธรรมคือธรรมะที่พึงรู้เพราะฉะนั้นแม้คำว่ายยายธรรมนี้ ก็ชี้มาถึงอริยสัจทั้งสี่ดังกล่าวนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงได้พระญาณคือความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่ ในที่สุดแห่งวิมุตคือความหลุดพ้นหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ามีวิมุตคือความหลุดพ้นเป็นที่สุดก็ได้คือ วิมุตติความหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนะความรู้ความเห็นในความหลุดพ้นอันความรู้ความเห็นในวิมุตติคือความหลุดพ้นนี้ ตามลำดับของธรรมะย่อมเกิดในที่สุดแห่งวิมุตตดังที่แสดงว่าเมื่อพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วรู้ตัวเจ้า เมื่อทรงแสดงถึงความตรัสรู้ของพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างนี้และเมื่อแสดงถึงพระอระหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธสาวกก็ทรงแสดงอย่างนี้คือเมื่อกล่าวโดยลําดับ เป็นธรรมขันธ์คือกองแห่งธรรมอันจำแนกไว้ว่าศีลขันธ์กองศีลสมาธิขันธ์กองสมาธิปัญญาขันธ์กองปัญญา วิมุตติขันกองมิมุตมติญาณทัศนคันกองแห่งญาณทัศนะความรู้ความเห็นในวิมุตตก็โดยอธิบายว่าปฏิบัติมาในศีลในสมาธิในปัญญา จึงประสบวิมุตตคือความหลุดพ้นคือจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเมื่อพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วความรู้ว่าพ้นแล้วนี้คือวิมุตติญาณทัตสนะ มีเป็นที่สุดของมิมุตท่านผู้รู้จบแล้วพระพุทธเจ้าเด็ตรัสรู้จบแล้วทรงเป็นพระพุทธเจ้าระสษาวบกทั้งหลาย รู้จบตามแล้วเป็นพระอรหันต์ขีณาศพก็ยอมรู้ว่าทันพ้นแล้วแต่ละองค์ เพราะฉะนั้นเมื่อมาอธิบายจับเอาพระญาณข้อนี้เป็นเหตุให้ได้พระนามว่าพุโทโธ ผู้รู้แล้วก็คือผู้รู้จบเป็นความหมายที่ต้องการจะแสดงให้ชัดเจน ถึงความรู้ของพระองค์ที่รู้จบนี้ใช้คำว่ารู้จบคำเดียวอาจจะยังไม่พอหากใช้ว่ารู้จบสิน้นก็จะได้ความที่ชัดขึ้น จบหมดสิ้นไม่มีรู้อื่นที่จะยิ่งขึ้นไปกว่าและจบสิ้นกิจที่จะพึงทำต่อไปเพื่อที่จะให้รู้เช่นนี้อีก ทั้งจบสิ้นกิเลสจบสิ้นกองทุกทั้งสิ้นพระองค์ทรงรู้จบสิ้นด้วยพระองค์เองและสอนผู้อื่นให้รู้จบสิ้นใดด้วย เมื่อสรุปอธิบายของพระอาจารย์ทิ่ท่านอธิบายไว้ลังที่ยกมาข้างต้นนั้นเข้าในคำมารู้จบสิ้นดังนี้ก็ย่อมจะทำให้มีความเห็นความเข้าใจ ที่พอจะเป็นเหตุผลว่าแยกออกมาอีกเป็นพระพุทธคุณอีกบทหนึง่งคือพุทโธจากคำว่าสัมมาสัมพุทโธมาเป็นพุทโธคำเดียว รู้จบสิ้นแล้วทั้งสอนให้ผู้อื่นรู้จบสิ้นได้ด้วยและคำมาพุโทโธนี่ก็เป็นคำที่เรียกพระพุทธเจ้าทั่วไป ดังที่เราทั้งหลายมาเรียกเป็นภาษาไทยว่าพระพุทธเจ้าก็มาจากพระพุทธคุณบทว่ระพุทธโธนี้เพราะฉะนั้น จึงเป็นคําที่นิยมเรียกพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปตลอดถึงศาสนาของพระองค์ก็เรียกว่าพุทธศาสนา ซึ่งคำนี้ก็มาจากพระโอวาทครั้งสำคัญของพระองค์ที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกซึ่งได้ตัดไว้ว่าสัพปะปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวง กุศลสู้ปสัสมบดาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตาปริโยนปละปังชำระจิตของตนให้ผ่องใสเอตังมุธานาาสนังนี้เป็นคำสอน ของพระพุธธะทธทั้งหลายคือเป็นพุทธศาสนาดังนี้เพราะฉะนั้นคำว่าพุทธโธนี้จึงเป็นคำที่ใช้มากเป็นคำที่เรียกมาก เป็นที่รู้จักกันว่าเมื่อกล่าวว่าพุท ธ, ธะหรือพุโทโธก็หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศ า, ศาสดาไม่ได้หมายถึงผู้อื่นและแม้ในการปฏิบัติ กรรมฐานพระอาจารย์ก็สอนให้บริกรรมเมื่อพุทธโธเช่นกําหนดลมไม่ใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโธ เมื่อมาเป็นนามของรัตนทั้งสามก็เรียกว่าพุทธธรรมสังฆะพุทโธธ ร, รมสังเป็นคำที่เรียกทั่วไปเป็นที่รู้จักซึ่งมีความหมายอันสำคัญ คือผู้รู้จบสิ้นแล้วอีกคำหนึ่งผู้รูู้รูพ้นแล้วคำว่าพ้นกับคำว่าสิ้นนั้นก็มีความหมายในด้านสิ้นกิเลส พ้นกิเลสสิ้นทุกพ้นทุกได้ด้วยกันพุโทโธภูรูจบสิ้นแล้วพุโทโธภูรูพ้นแล้วอันหนึ่งพระอาจารย์ เราท่านนิยมแปลคำพุทธอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ตกินแล้วผู้เบิกบานแล้ว และมีอธิบายว่าเป็นผู้รู้จนเป็นผู้ตื่นหรือเป็นผู้ตื่นด้วยความรู้ การอธิบายคำพุทธโทดังนี้ก็ได้ความถูกต้องทั้งโดยพระยัญชนะคือถ้อยคำทั้งโดยอัถฐคือเลือกความเพราะคำว่าพุทธนี้ท่านใช้ในภาษาบาลี ว่าเป็นผู้ตื่นก็มีเพราะฉะนั้นมาอธิบายคำว่าพุโทโธนี้ว่าเป็นผู้ตื่นดังกล่าว